ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสีงธรรมจากมาวิทลัลสีรทุมในวันนี้คงพูดเรื่องอัตกถาพยะเพราวสุนในช่วงสุดท้ายที่จานุตโซนีพราหมได้ประกาศตุนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ลึกตลอดชีวิต การถึงสาสนากมตามปกติและเรา ก, ก็คุ้นนกัน เ, เวลามีพิธีกรรมทางาศาสนาโ่ยจะ ง, งานการพระรากๆสูญเสียหรือว่าประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับสริมงคลทั้งหลายแล้วก็มีการประกาศต้นถึงพ ร, รัตนกไกรายในบทว่าพุทธังธมังสนางกชามิ สุติยมปิตาติยมปิก็รวมแล้วก็เรียกว่าเก้าครั้งด้วยกันรัตนไตรละหนึ่งแตรัตนไตรละสามเป็นการเน้นยำ้ำแต่ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่าอย่างไรเรียกว่าสรณนะอย่างไรเรียกว่าการถึงสนาคม แล้ผลดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นจากถึงพระศจสนาคมเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าตามปกติเราไม่เคยออกมาพูดกันเพราะว่าไปอยู่ในพิธีกรรมทั้งหลายบางทางที่เป็นสัจจปฏิยานเชิงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เคยตนเข้าถึงพระตนไตรได้ทั้งทางกายวัจาและก็จิตใจจริงๆประเด็ น, น, นแนวตกรถาก็มีอยู่เยอะหลายประเด็นนะแต่ว่าบางประเด็นมันก็นเคยผ่านมาแล้วแต่ประเด็นการถึงสน า, าคมนี้เราก็ไม่เคยอธิบายขยายความบ อ, อกไปตามในยะที่ท่านอธิบายไว้ เขาบอกว่าเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสมาคมเหล่านั้นจึงควรทราบวิธีต่อไปนี้คือสาระการถึงสาระพูดถึงสาระประเภทแห่งการถึงสาณะผลแห่งการถึงสาระความเศร้ามงงของการถึงสาระและความหมดสภาพของการถึงสาระต่อไปถามว่า วิธีนี้มีความหมายเป็นอย่างไรตอบว่าชืะนะ่อว่าสาระเพราะมาเบียดเบียนคือทำหน้าที่กาจัดถับความกลัวความบาดสนุงความทุกข์กิเลสที่เป็นเหตุให้ไปสู่ทุกติของบุคคลซึ่งถึงสาระให้พินาศไปโดยการถึงสะนั้นแลคำว่าสาระจึงชื่อว่า รัตนาะใยคือการถึงในลักษณะนี้อย่างที่เคยเล่ามาก็ด้วยการเพียงประนมมือไหว้เท่านั้นเองแสดงความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าประทามให้เป็นบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้จะเรื่องมัทธกุลตรีมานพ ซึ่งป่วยหนะักพระรูเจ้าเสด็จไปโปรดแต่ว่าจะนอนหลังให้ยอยู่พระรูเจ้าก็ทรงเปล่งฉับพันรังสีไปกระทบที่ฝาเรือนด้านนิเอหันหน้าไปแต่เกิดสงสัยก็พยายามขยับตัวพลิกตัวมาก็เห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแรงที่จะถวายน้ำมัสการแล้ว ก็พยายามประคองมือขึ้นเท่าที่ประคองได้จิตก็พ่องใสก็ดับไปในจิตดตวงนั้นแล้วก็บังเกิดเป็นเทพบระรุที่สวรรค์ชันดาวดึงริยายแก่จันทานคนหนึ่งที่ยืนตัวสั่งงนงันงกเพราะความป่วยอย่างแรงก็เรียกว่าจวนจะตาย พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จผ่านไปพระโมคกขาลานะก็รู้ได้ยานว่ายายแก่คนนี้ก็ังจะตายเดินก็เข้าไปกระสิบบอกกับยายที่เดินไปหน้าภิกษุงสงฆ์นั้นคือพระพุทธเจ้าให้ยายประคองอัญชลีและทําใจเลื่อมใสในพระองค์สิยายแก่ก็ทําตามแต่พยกมือขึ้นได้หน่อยหนึ่งก็ สุดวบลงไปก็ตายก็บังเกิดในสุกตินี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการถึงสนานี้จะทำหน้าที่กำจัดทำลายพวกความกลัวพวกความสะดุง้งพวกความทุกข์แล้วก็เหตุที่ให้ไปบังเกิดในทุกติ ้ากเราถึงตามหลักที่ท่านวางไว้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็น่นอนมันมีความประนี่ตึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับเพียงแต่ยังไงยังไงก็ให้ได้ระดับหนึ่งก่อนก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์คือกูลและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่ฐานะการถึงการ พระรัตนตรัยนั้นตั้งแต่เป็นเป็นเรียกว่าเรื่องเริ่มต้นมาตั้งแต่นน้นแหละตั้งแต่พระพุทธเจ้าสัสรู้ใหม่ๆก็เริ่มกำหนดรูปแบบพฤติกรรมในการถึงสาราคมทีนี้คำพระพุทธก็หมายความมาขจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยทำสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในประโยชน์เกื้อกูล และถลอยกลับจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์คือกูลนี้ก็คือกรอบของคำว่าพุท ธ, ธรรก็โดยปริยายหนึ่งะฮะคือทรราสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในประโยชน์เกื้อกูลอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นมันก็มีไตระดับขึ้นไปได้ด้วยนะ ที่เราสรุปรวมเป็นประโยชน์สามระดับคือประโยชน์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันประโยชน์ที่ทันตายเห็นนั้นก็เรื่องการครองชีวิตของชาวบ้านนี่แต่ว่าทำยังไงจะครองชีวิตให้อยู่ดีมีสุขได้พรเจ้าก็แสดงไว้ทั้งสิ่งที่ควรเว้นและสิ่งที่ควรประพริ สิ่ที่เวนเช่นอะไรเช่นอบายมุกการเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นและการตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่ควรเว้นมันก็มีเยอะเช่นสงแสดงว่าสกุลที่มั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะสถานศีล กระหนึ่งพัสดุที่หายไปไม่สแสดงหากลับคืนมาสองสิ่งที่เก่าคร่ำคร่าลงไม่บุรณะซ่อมแซมใช้สอยหรือปรับสภาพใช้แล้วหัวหน้าครอบครัวนั้นเป็นคนทุศีนคือไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยทรัพย์สินเงินทอง อัะ น, นี้ก็ส่งสอนในรูปมดเว้นเป็นนั้นมากแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสอนในแนวที่ให้แต่และฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวแล้วก็ทรงแสดงธรรมะประเภทที่เรียกว่าพัฒนาชีวิตฐานะทางครอบครัวทางเศรษฐกิจทางสังคม งการศึกษาเป็นต้นเจวมาทุกเรื่องที่เป็นภารกิจซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบนั้นจะต้องสมูทด้วยความมันขยันในการทำงานซึ่งตัวเองต้องรับผิดชอบเมื่อได้ทรัพมาก็รู้จักบริหารจัดการแบ่งสรรเอาไปเป็น4ส่วนสองส่วนก็ใช้ประกอบธุรกิจต่อไป หนึ่งส่วนก็ใช้บริโภคใช้สอยไปในครอบครัวหนึ่งส่วนก็เก็บปอมมาไว้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็ที่จริงก็คืองดเรนอวายามุกนั่นแหละแต่วันในที่นี้ทรงเน้นที่การคบหาสมาคมกับกัลยะนานมิตรคนที่มีความรักใคร่มีอุปการะประพฤติกระทในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน แล้วก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่ว ม, มสุขกันและรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สินหนึ่ ง, งองก็เรียกว่าสมาชีวิตาเลี้ยงชีตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหาได้มามีอยู่แล้วครอบครองอยู่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เพื่อนำพาชีวิตเข้าไปสู่ความสุขของผู้ครองเรือนก็ทรงสั่งสอนไว้เพียงสี่ข้อเท่านั้นเองคือสุขจากการมีทราบการใช้จ่ายทราบการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นและการประกอบอาชีพหรือทํางานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ทุกข้อนั้นเป็นเรื่องธรรมา หมายความว่าพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแต่แสดงก็คือแสดงจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อบุคคลได้ศึกษาตามที่ทรงแสดงปฏิบัติตามที่สรงแสดงแล้วผลประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ดึงชีวิตออกจากถอยจาก สิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมหรือว่าไม่ได้พอให้เกิดประโยชน์คือกูลแก่การครองชีวิตทีนี้สาระที่ชื่อว่าพระธรรมพระช่วยช่วยสัตว์ทั้งหลายให้คน้นให้ข้ามพรมจากกันดานหรือกันดานอะไรระตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคขัดขว า, างต่างๆ ยุงยากลําบากเจนทางกันดานธุระกันด า, ก น, ดาดนกันดานด้วยโจรกันดานด้วยอมนุษย์กันดานด้วยป่ากันดานด้วยสัตว์ร้ายแะอะไรต่างๆมันก็มีเยอะแยก็เป็นปัญหาวสัสดุขัดขวางที่เราจะนําพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือบุคลพบ ภพนั้นก็ส่งความหมายคือความเป็นของเราในฐานะนั้นๆแล้วก็อีกหนึ่งภพก็คือสังขารภพก็ได้แก่บุญแก่บาปแก่เนรชาตัวปัญหาจริงๆของทุกชีวิตก็คือตัวบาทนั่นแหละแต่ตัวบุญมันเป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งตัวเนรชาก็เป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งระดับมรรคนิพานไปแล้ว แต่ว่าบาที่สากรก็คือไม่ใช่คืออุปสรรคที่สากนก็คือบา่าและเพราะให้ความเบาใจแก่สร์ทั้งหลายหมาความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคนปฏิบัติตนอย่างนี้สามารถฝ่าฟันปะนาวอุปสรรคข้ามภว ก, กันดานทั้งหลายไปได้ ก็รู้สึกบอใจรู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นสุขใจที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนั้นทีนี้พระสงค์ในความหมายในฐานะที่เป็นศรณะาเพราะทำสักการะทั้งหลายแม้เป็นของน้อยน้อยค่าเนี่ยให้ได้รับผล น, นั้นไปหม หมายความว่าพระที่สุ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนะใครถวายปัจจยสี่แก่ท่านไปจิตศรัทธาเริ่มใสแล้วก็มีองค์ประกอบอีกนะก็จะทำให้เกิดความสบายใจความสุขใจได้รับผลที่กว้างใหญ่ไพศาล จะยกตัวอย่างปุณณะธาตุกลายเป็นปุณณเศรษฐีในวันเดียวเพราะได้ถวายอาหารที่พัญญาเตรียมมาเพื่อตนกินในในนานกะ็ก็ะทำให้ตนได้กินอาหารชาปไปเพราะว่าพัญญาเอ า, าพัญญาเอาหารนั้นไปถวายพระสารีบุตรเสีย ก, ก่า แตวตัวเองก็ได้ถวายไม้จำรักฝันแก่พระเถระจึงออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆก็เป็นเอไไ้ได้รับขุนก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีกันจะบจะเลยในวันนั้นเลยเพราะมูลไถที่ท่านไถนาเนี่ยมันกลายเป็นทองคาไอ้ชี่ตั้งเท่าไรแปดกริสทงที่ขนาดไหนก็ไม่ทราบเป็นกัน นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเพราะได้สักการบูชาพระสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรทีนี้ถ้าหากว่าสมบูรณ์คุณทั้งสี่ประการสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องเป็นพระเดิยศเพราะฉะนั้นพระรตัตนตาตย์จึงชื่อวัาสรณะโดยความหมายนี้ด้วย หมายความมานอกจากจะขจัดทุกขจัดภัยขจัดเวรขจัดอันตรายแล้วก็ยังมีฐานะดังที่กล่าวมาจิตตุปบาท ค, คือความเกิดขึ้นของจิตในแต่ละขณะความคิดที่มีความเศร้าหมองอันความเครกเลื่อมใสในสาระนั้นขจัดไปสิหมายความว่าตราบใดที่เรารักษาคุณภาพจิต มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่ในขณะนั้นความศรัทธาเลื่อมใสยังดำรงอยู่อ้จิตที่เหมองทงลายนี่มันจะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาเนี่ยทำความผ่องใสให้เกิดขึ้นไปในจิตในขณะที่ปัญญาก็ทำความสว่างให้เกิดขึ้นไปในจิต การถึงสาราณะจึงประกอบด้วยปัญญาและก็ศรัทธาบางระดับเราเกินกําลังที่จะใช้ปัญญาวินิจฉัยได้เราก็ใช้ศรัทธาตัดสินวินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นแต่ในบางการณีมันอยู่ในวิสัยที่เราคิดได้รเราเคยมีสัมผัสตรงอย่างน้อยระดับหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาได้ สมาทั้งสองประการนี้ปัญญาศรัทธาตั้งมันแล้วให้เสเะโยชน์ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลศรัทธาคือเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนในโลกนี้ไปเรื่อยนะฮะไปเรื่อยจนถึงศรัทธายาตรติโอคันบุคคลจะข้ามวงน้ำคือสังสารวัฏได้ด้วยศรัทธา ปัญญานั้นแน่นอนว่ามันจนถึงปัญญาญาบริสุทธิ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระรตรัตรัยเป็นหลักอยู่มันจะมีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นมั่นคงมีปัญญาพิจิตรพิจารณาสรสอบเทียบเคียงสอบทานอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็ทาให้สามารถขจัดมูลทินต่างๆออกไปได้คือเพราะอาศัยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยที่ว่าสารณคมหมายถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสระการถึง ร, รัตนตรัยว่าเป็นสระนาทีนี้สัตว์ที่มีจิตวิ บ, บาทเช่นนั้นจิตส่วนเกิดขึ้นในลักษณะ อธิบายว่าย่อมเข้าถึงสนะทั้งสามเหล่านี้ว่าเป็นสนทต่ระลึกที่พึ่งว่าเป็นป ร, รายณนะเครื่องนำทางโดยจิตุปบาทมีประการดังกล่าวแล้วแล้วก็พึงทราบสนะการถึงสนะและผู้ถึงสนะสามอย่างอย่างนี้ก่อ อันนี้ประเภทแห่งการถึงชนะท่านอธิบายไว้ว่าการถึงชนะมีสองคือการถึงชนะที่เป็นโลกุตระก็หมายความว่าอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านก็เริ่มต้นโลกุตระที่นั้นพระโสดาบันนั้นมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในตจสิกขา กอนนี้จะเป็นระดับหลวพุตธระดแล้วก็ไปเรื่อยจนถึงพระอรหนะันต์ะการถึงชนะที่เป็นโลกเกียแล้ความมัน ก, ก็แบบสามัญชนตัวตัวไปนี่แหละหนักแน่นมันคงพอสมควรไม่หนักแน่นมันคงคงงอนแง่งคลอนแคลนซัดสายสับสนกระสับกระสายไป ก็ตามสมควรกับสิ่งที่เป็นโลกิยะมันก็เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เป็นโลกิยาเรานิยายนี่อะไรกับเขาไม่ได้การถึง刹那ที่เป็นโลกุตระของบุคคลผู้เห็นสัจจะแล้วมื่อว่าโดยอารมย์ย่อมมีนิพานเป็นอารมณ์ท่านไม่มีปัญหานะฮะคือท่านท่านระดับนี้แล้วท่านไม่มีปัญหาแล้วเมื่อว่าถึงกิจย่อมต้องการ ระลัตะนักใจทั้งหมดเพื่อถอนกิเลสที่เป็นเหตุขัดขวางการถึงสนะในขณะแห่งมรรคนี่เป็นเรื่องพระรยยามบุคลส่วนการถึงสนาที่เป็นโลกิยะของปุถุชนนี่ว่าโดยอารมณ์ต้องการพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์คือพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณ อย่างที่ท่านเราอะสมเด็จพระพุทธาจยา์โตรมารังสีเนี่ยสิ่งที่ท่านไม่ขาดก็คือพุทธัทงสันังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสันังกชามีก็ต้องมีอยู่ภายในใจของท่านตลอดหมายความามั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณของพระรัฒนาใจทีนี้ถามว่า การที่จ right. ิตไปจดจ่ออยู่กับพระทักุตระุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันนะขจักกิเลสไม่เกิดขึ้นรุ่มลมใจเพราะว่าเจตสิกที่เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทําหน้าที่ของตนแล้วก็ปิดกั้นกระแสของอกุศลเอาไว้กํำราบข่มบรรเทาจนถึงกระดับอกุศล ที่ตงกันข้ามบต้นเอาไว้ตอนเมื่อเราอยู่กับพระรัตนตรัยอย่างบทภาวนาพวกกรรมฐานทั้งหลายเนี่ลองสังเกตว่าเราก็มีทั้งพุท ธ, ธานุตติธรรมานตุตติสังขานุตติศีลานุสติจาคานตุตติอะไรต่างๆเยอะหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีเป็นพื้นฐานจิตของเราอยู่ การถึงมรดกนารายอย่างน้อยก็มีสต้าปัญญาเป็นเรียนใจเป็นฐานใจอยู่ระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างรู้นะว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพราะงั้นเมื่อเรามีหลักตรงนี้อยู่มันก็เป็นภูมิต้านทานใจที่หยุดความคิดซึ่งเป็นอกุศล เป็นนันมากที่ขัดแย้งกับคุณของพระธรรมกายเดียวกับคุณของพระเจ้าเรากล่าวโดยสรุปก็คือปัญญาบริสุทธิ์กุณทีนี้ถ้ากับสรร พ, พสิ่งสัร พ, พสัตว์ทั้งบินรูปธรรมและนามธรรมเรามีปัญญากับสรร พ, พสัตว์เรามีเมตตากรุณานะแล้วกับ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือพวกบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยใจเราบริสุทธิ์พวกนี้มก็ไม่สามารถแทรกแซงจิตใจของบุคคลได้ก็ทำให้จิตใจเขาหนักแน่นมันคงอยู่ตลอดไปนี่ก็อย่างน้อยก็ไม่ถูกโยกครอนอย่างที่ ทนสดงกุมาราพ ร, มรหมได้กล่าวเอาไว้ว่าเยเกจิบุทังสนังกตาเซนเตคมิสั้นเดียปยาภูมิงายะมานุสรังเดหังเดวกาอย่างปาริบุรสันติบุคคลทั้งหลายเราใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตบุคคลเหล่านั้นจักไม่ไปส่วบายเลย สุรากายที่เป็นมนุษย์แล้วจากจังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏตัหมายความว่าป้องกันกิเลสประเภทแรงๆที่เป็นเหตุแห่งบา ย, ยางน้อยได้อย่างคนในสมัยก่อนเนี่ยทำเพียงให้จิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็จิตดับไปในขณะนั้น ตายไปด้จิตที่ผ่องใสก็บังเกิดในสุคติไนดะ้ดางนั้นการถึงในแนวของโลกิยะก็เอาไปก่อนนะ่คือเรายังไม่เข้าสู่โล ก, กุตระรก็ต้องพย า, ายามไต่ระดับขึ้นไปถ้าหากว่ามันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหมายความว่าความรู้สึกต่อประจานใจก็ยังเป็นอย่างนั้นนะ ตอนมุามๆสาๆไปยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่งนงานวายๆกราบๆเสียงเสียงมซีพรมน้ำมนต์แล้วก็อะไรล่ะลงลงเลขลงยานเวลานี้มีการเล่นเรื่องเครื่องรางของขลังกันเยอะยิ่งดูทางโทรทัศน์แล้วน่ากลัวลว่าทำไมมันไปอขนาดนั้น แต่เป็นสภาพของธรรมชาติมนุษย์ะเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมามันต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อสแสวงหาที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจก็รู้สึกว่าสุขใจสงบใจเย็นใจสบายใจมันเป็นอุปาทานที่สร้างขึ้นหมายความว่าที่เราสบายใจได้เนี่ยเพราะมีสิ่งนี้ตราบไดที่ยังมีสิ่งนี้อยู่เนี่ยจิตใจเราก็จะสบาย สร้างอุปท า, านขึ้นมาแก่ขยากนะเพราะว่าราบไตที่เรายัางไม่เป็นกระโซดาบันแต่การจะไปยึดมัน่นถือมั่นในแนวตรงนั้นมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่มากประการต่อไปก็คือการถึงสนานั้นโดยใจความได้แก่การได้ศรัทธา ในพระัตนตรยัยมีพระพุทธเจาเป็นตน้นและสัมมาทิชชที่มีศรัทธาในพระัตนตรยัยนั้นเป็นพื้นฐานนี่ก็คือศรัทธาเราจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องศรัทธาในพระัตนตรยัย คือมีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อมั่นในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่มีความเชื่อมั่นในผลของกรรมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเนี่ยใครทําคนนั้นก็ได้แล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธคุณ เวลาพราะพุทธเจ้าทรงอธิบายศรัทธาโดยพระพุทธวจนะจริงๆจะส่งเน้นไปที่ศรัทธาในพระศานาที่ที่พิโสสวัสดิโตสุปฏิปนุนี่แหละศรัทาเชื่อมั่นอยู่ในพระศานาทีนี้ศรัทธาที่เชื่อมั่นเนี่ยก็ทําให้ ยิงอยู่กับสมาธิิที่มีศรัทธาในพระไตรนั้นเป็นพื้นฐานหมายความยังไงหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนก็เถียงกันเราก็ยังไม่รู้หรอแต่เราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อย่างเนี้เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็ติดตามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้ ในช่วงนี้อ่านหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับประวัติของท่านที่มรณภาพไปแล้วมีกระดูกเป็นธาตหลายรูปนะหลายรูปแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยข้าไม่ค่อยยกคำพูดของท่านมาทั้งเท่าไหร่แต่ที่ยกคำพูดมาก็มีอยู่สองเล่มกำลังรอกำลังจาเล่นที่สามอยู่ ก็เป็นพระที่รู้จักอยู่สององค์เน่จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นทระรยาหรอกก็มองเห็นว่าองค์หนึ่งเนี่ยจะอธิบายในแง่ของธรรมะไม่ค่อยอ้างอีกพระพุทธเจ้าเท่าไรเพราะว่าพื้นฐานความรู้ของท่านไม่สูงแล้วก็บวชตอนแก่อายุกสิบแล้ว ตัวนึงนี้นนจะ ย, ยกพระบาลีพุทธวจนะมาด้วยมาประกอบกับคำอธิบายของกันมาสอดคล้องกันก็ เ, เป็นสมาธิที่ด้วยกันนะั่นแหละแต่ว่าแต่ศัทธาที่เกาะอิงนั้นท่านหนึ่งเกาะอิงที่พระธรรมหนึ่งก็เกาะอิงที่พระพุทธเจา้าเป็นหลักแต่ว่าอธิบายก็อธิบายพระธรรมนั่นเอง ทีนี้เมื่อมีศรัทธาเป็นพื้นฐานศรัทธาในพระตราตรายเป็นพึ้งฐานซึ่งเรียกว่าที่ถูจชุกกรรมในอะไรล่ะในบุญยักกิยาวัตถุสิบ ป, ประการหมายความว่าการปรับความคิดความเห็นของตนให้ตรงทรงตามพระบาลีพุทธวจนะ หรือตรงตามศาสนธรรมก็ไม่จําเป็นว่าพระพุทธเจ้าจะต้องแสดงเองโดยตรงหรือไม่แสดงเองแต่ว่าก็ตามความจริงโดยความเป็นมาแล้วเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการศึกษาพระ บ, บาลีพุทธวจะนะในรูปแบบต่างๆส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการปฏิบัติตามพระ บ, บาลีพุทธวจะนะ อลมันก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงนั่นแหละเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงเองนั่นแหละแม้จะอยู่ในตากถาก็ต่อตากถาก็จะต้องคล้อยตามแต่อตกากถาจะอ้างอิงเยอะอ้างอิงที่ไปที่มาเยอะเลยถ้าท่านฟังได้อ่านระดับประกรณ์พิเศษเช่นวิสุทธิมรกกดีหรือระดับดังกลัตติบันฑีก็ดี เร่อมงคลที่เป็นนิ่งนะโดยเห็นว่ามีตํานาที่อ้างอิงนี่เยอะมากก็หมายความว่าท่านก็อธิบายโดยยกประเด็นของพระบาลีพุทธวจนะนี่มาร้อยเรียงแล้วขยายความแล้วก็ไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆใกล้ๆงานวิทยานิพนธ์ก็ไม่อื่นไปจากพระบาลีพุทธวจนะ เดี๋ยอาิตย์ถูกุ ก, กรรมเนี่ยการทําความเห็นของตนให้ตรงตรงตามอะไรก็ตรงตามาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้การถึงแบบนี้มันจะมีอยู่สี่ระดับอาจจะซี่ลักษณะก็ได้สี่ระดับก็ได้โดยการมอบตนโดยการมอบตนต่อพระตาชนิพนที่ก็มอบ มาะพอจริงนะอย่างที่เราทําวัดเย็นบุตัสสาหันสมีดาโซวะบุโธเมสามิกิสรุบุตรสส้างนิยาเดมีสริรนจีปิตันทีน่ดังข้อธรรมะสังขากอาวาอย่างงั้นพระพุทธเจา้ากับพระเจ้าเป็นผู้รับใชพพ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับประสงค์เป็นนายเหนือครับ พระพิจ้าพร้อมจะสละชีวิตพร้อมทั้งสริระแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นการมอบกายแบบถวายชีวิตอย่างการประกาศของฉานุสูรีปรามก็เรียกว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตก็เป็นมอบกายเหมือนกันแีนี้การยอมตัวเป็นศิษย เป็นระดับที่ลดหลั่นลงมาอาการไม่ไม่ค่อยแน่นอนในการยอมตัวเป็นสิทธินั้นออบางครั้งจิตใจก็อาจจะแปรผันได้เพราะการยอมยอมตัวเป็นสิทธิ์อย่างอย่างคนในสมัยพุทธกาลอย่างเพื่อนของท่านอนาธิมินติการเศรษฐีเนี่ย เวลาอนาธิบินทิกาเศรษฐีมาด้วยท่านก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอนาทีบินทิ ก, ท, กธธ ท, ทิกาเศรษฐีไม่อยู่ท่านก็ไปํานักอันเดียดีเศรษฐีทั้งหลายโดยการประนมมือทำความเคารพนี้แสดงเฉพาะอาการอย่างในเนี้ยอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันอินเดียเนี่ยจริงมีชาวพุทธก็ไม่น้อยไปห้าสิบล้านนะฮะ ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านแต่อาจจะมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปนับถือาศาสนาอื่นนอกจากาศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามมันจะถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือผลประโยชน์ต่างๆที่ตนเองจะพึงได้ แล้วก็สังคมเป็นสังคมของอินดูก็สังคมของอิสลามอิสลามเขาก็มีจำนวนหลายร้อยนะอินดูนั้นไม่ต้องพูดคือมากกว่าเพื่อนเพราะงั้นพวกนี้จึงใช้วิธียกมือไหว้อย่าตอนมาไปเรียนที่พารานสีเนี่ยครูบาอาจารย์เยอะที่เป็นผุน แต่ว่าถ้าเจอกันในที่ลับในห้องเรียนเนี่ย่านจะยกมือไว้ถ้าเดินสวนกันในมหาวิทยาลัยหรือถนนมหาวิทยาลัยท่านก็มองซ้ายมองขวาแต่แม่มั่นใจท่านก็โคง้งเบาๆก็แสดงว่าเป็นชาวพุทธแต่ก็ทำเพียงเท่านั้น อย่างพราหมณ์คนหนึ่งที่เคยเล่าในทีคณิกาคูตาธันตะนะก็แสดงเพียงว่าพอเดินพอนั่งรถสวนมานั่งนั่งเกวียนนั่งนั่งยานนะนะสมัยโบราณก็คงจะเป็นเป็นรถแบบโบราณลงจากรถแล้วก็ยืดแต่ไม่ถวายมคงคลแต่การร่มก็จะลด ร, ร่ม ถ้าถอดรองเท้าถ้าสวมรองเท้าก็จะถอดรองเท้าถ้าอยู่ในกลางทางก็จะหลีกออกข้างทางนี่ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพถ้ามากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าท่านจะเสียสถานะผู้พรามที่เคยเคารพนังถือท่านเนี่ยจะไม่ยกย่องสักการะบูชาท่าน จางก็ขอกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอทำเพียงเท่านี้แต่ว่าจิตใจของท่านนั้นก็ศรัทธาเลี้ยงใสแต่ไม่จริงใจหรอกคนเราไปกลัวเรื่องหยอกแย่เรื่องไม่ได้เรื่องยิ่งแต่ว่ามันขัดขวางการพัฒนาจิตใจของตนเองทั้งการมอบกายการมอบตนเนี่ย คือการยอมสละตนแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้าประทรมและพระสงฆ์นับแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ชื่อว่าการมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องนำทางแตก่การมีพระรัตนตรัยนำหน้าอย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทางข้อมีพระธรรมเป็นผู้นําทางข้อมีพระสงฆ์เป็นผู้นําทางที่ที่ว่าการยอมดนเป็นสิทธ์คือยอมเป็นสิทธ์อย่างนี้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธ์ของพระธรรมเป็นสิทธ์ของพระสงฆ์ที่ที่ว่าประนมมือทําความเคารพ ได้แก่การทําความนอบน้อมอยู่ในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายจงจํำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าขอทําการกราบไหวการลุกรับการประนมมือการทําความนอบน้อมแใ่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นเมื่อบุคคลทําอย่างนี้ในบรรยากาศอย่างนี้ก็ชื่อว่า ถึง刹那นได้อีกประการหนึ่งพระตัตถายาานอธิบายว่าการมอบตนนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสละตนแด่พระภูมีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ข้าพเจ้าสละตนแล้วทีเดียวแด่พระผูม้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ข้าพเจ้าสละชีวิตแล้วทีเดียว รูปของข้าพเจ้าเป็นอันข้าพเจ้าสละแล้วชีวิตของข้าพเจ้าก็เป็นอันข้าพเจ้าสละแล้วข้เจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนาตลอดชีวิตขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานของข้าพเจ้านี่ก็เป็นการปร่งวาจาแต่ว่าการถึงที่พึ่งปรารถนาจริงๆเนี่ย คือเราจะเห็นว่าคำมาถึงมันเป็นอาการก้าวไปจากที่หนึ่งเพื่อไปสู่ที่หนึ่งเราจะถึงก็ต่อเมื่อจินสมมติว่าเรามาวัดถ้าข้ามธรณีประตูวัดมามันก็ถือว่าถึงวัดแล้วแต่ทีนี้เรามาวัดเพื่อจะเข้าไปที่โบสถ์ที่พระอุบโบสถ จะพูดว่าถึงพระบูชสถได้อย่างน้อยที่สุดเนี่มันก็ต้องขึ้นบันไดพระบูชสถไปแล้วเแล้วก็ต้องก้าวผ่านธรณีประตูเข้าไปนั่นก็หมายความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวัดเราเป็นส่วนหนึ่งของบูชสถในขณะนั้นนั้นือกันกถึงพระรดาณไตรัยจริงๆจึ ง, จ ง, จ ง, จงต้องถึงทิ่ตัวขุณ มนความประการปฏิบัติของเรานั้นสัมผัสพระพุทธคุณคือเห็นพระพุทธคุณกับการเคลื่อนไหวทียบทต่างๆการใช้ชีวิตจจรประจําวันของเราเรายู่ดรวเหตุผลสติปัญญาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจกับคนกับสัตว์ทั้งหลายตลอดจงประเทศชาติบ้านเมือง แล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อคนรอสัตว์อะไรตามทุกกฎกถานะแต่นี่เป็นเป็นผลฉีดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรภายในจิตใจของผู้ที่ถึงพระตาใไรจุดแน่นอนว่ามันก็ต้องฝึกอ่ะต้องฝึกรือประพฤติปฏิบัติหาดสัมผัส คุณพระตะไครให้ลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับลำดับมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพยายามแต่นั้นเป็นพลาเป็นคราวาดเหมือนกันเนเราก็คือคนเนี่ยเราก็คือคนพระพุทธเจ้ากว่าจะทำาพระคุณในสมบูรณ์เนี่ยสร้างบารมีมาตั้งนานบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้งหกปีจะได้จัดสุรุ วันเราเองก็ต้องก้าวไปแต่เรา็ต้นทุนให้เราตา่ำตาำ ม, มากบางน้อยบ้างก็แล้วแต่สรุปว่าต้นทุนเราตา่ำก็เราก็ไม่สามารถที่จะพวดพราดปูดพราพดราขึ้นไปสัมผัสได้ทุกๆจุดแต่ว่าให้เห็นให้เห็นปัญญาบริสุทธิ์กุณาไปในใจของตัวเอง แล้วมีกำลังต้งานทานอารมณ์อารมณ์มโลกพอสุงฟวนก็จะเป็นเรื่องที่กูดแก่การภาคภูดใจแล้วต้องฟังทัหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยสีประทุมในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงครั้นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี